วันนี้ต้องตั้งใจฟังนะไม่มีไมโครโฟนนะมีแต่ <laughs> ตไมโครฟันวันนี้ก็เราได้อดัตานาว่าพุทธมาจะโรกาทิปฏิสหมปฏิกัดอัญชลีอธิวังอายาจธะสันติธะส ต, ตับประชกะเทเสดุธรรมังอนุกรรมปีมังประชังว่าท้าสหมบดีพรมได้ประคองอัญชลี เข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่ยังมีกิเลสหรือมีฝุน่นธุลีในดวงตาเบาบางยังมีอยู่ขอพระองค์ได้อาศัยความเมตตากรุณาได้แสดงธรรมสาเหตุที่เท้าสามบุรีผมได้เข้ามาลัทนาก็เพราะว่าหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยได้สำรวจดูจิตใจของสัมพสสัตว์ในโลกแล้วรู้สึกท้อ ว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอุปทานนี่เราจะไปสอนเขาได้อย่างไรก็เลยท้อไม่อยากสอนแต่พอความปริวิทตกของพระพุทธเจ้าตอนนั้นตัดสรุปใหม่ๆเนี่ยก็ความคิดอันนี้ไปกระทบใจของท้าวสามบดีพรมเข้าพอท้าวสามบดีพรมรู้ได้ใจว่าพระองค์คิดอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีใครไปทัดทานหรือไปนิมนต์เนี่ย สัมพัสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ควรจะรู้ธรรมบรรลุธรรมก็จะไม่มีโอกาสจะวินาศไปเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปเลยถ้าสามบทิภูมิก็เลยไปคลองอัญชีเข้าไปหาผู้ดเจ้าบอกว่าฆ่าแต่พระองค์ผู้เชื้อเลิที่คิดอย่างนั้นอาจจะไม่ถูกทีเดียวแต่ผู้ที่มีกิเลสมีจิตใจที่มีกิเลสตัณหาเบาบางนะ่ยมีอยู่ขอให้พระองค์ได้โปรดเมตตาอเอ็นดู อาญาจทะสันติทะสัตตประจเทเสตุอนุกรรมปิมังอาศัยความเมตใตดูเอื้อเฟื้อต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ถือพระองค์ก็เลยรับอารัธนาแล้วคำขอของท้าวสัมบริพรมตั้งแต่นั้นมาเลยเป็นอนุสร์จนถึงปัจจุบันนี้ประมาณเกือบ 2,000 ปีเกือบ 3,000 ปีแล้วนะเพราะนั้นทุกครั้งมีการฟังธรรมเราก็จะเอาคาถานี้ขึ้นมากล่าวก่อน เพื่อเพยอนุสศ์คิดถึงเท้าสามบดีพรมนะ <c oughs> ทีนี้การว่าที่ว่าสามพสัตท์ทั้งหลายที่มีกิเลสในดวงตาเบาบางนี่ยังมีอยู่หมายความคนในโลกเนี่ยบางคนก็ท่านเปรียบนึ่บัวสีเหล่าบางคนก็เรียกว่าเป็นบัวคนน้ําพูดคุยกันเดี๋ยวเดียวก็รู้เรื่องหมายความว่าอย่างไรบางคนก็เป็นบัวเสมอน้ําต้องอธิบายกันยืดยาวที่จะเข้าใจ บางคนก็เป็นบัวที่เกิดกลางน้ําขึ้นมาก็ต้องอธิบายด้วยพลาทำด้วยสาธิตด้วยทําให้ดูด้วยอยู่ให้เห็นถึงจะทําตามได้บางคนนะั้นเป็นบัวใต้น้ําเดี๋ยวนี้เขาใช้เขาเรีบัวใต้คอนกรีตนะฮะอธิบายแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมเข้าใจนะ ต, ะ แ, นตะแบงไปนู่นตะแบงไปนี่นี่เขาเรียกบัวใต้คอนกีตอย่างนี้ก็มีนะแต่ความจริงแล้วพระเจ้าท่านหมายถึงบัว3าเหล่าเท่านั้นนะบัวสีเหล่านี้คงมาหยัดบัญญัติที่หลังนะนะบัวใต้น้ำนี่นะ คือวสามเหล่าไหมเขาว่าคนจะชั่วดีโง่เขาเบาปัญญาขนาดไหนเนี่ยแนะนำบ่อยๆส อ, อนบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องคล่องได้เขาเรียกว่าเวนยสัตว์เคยได้ยินคํานี้นะว่าทาั้งเราทั้งหลายเนี่ยเป็นอยู่ในระดับเวนัยนะดังนั้นเองก็วันนี้อจะมามาที่นี่แล้วเป็นครั้งแรกซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นวันสุดท้ายด้วยนะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่เกือบ2ปีก็ ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ร้านคิง g อไอด้นิมนต์พระสงฆ์ทังวัดพระศรีและวัดอะไรนะพุทธมุนีได้มาทำการเฉลิมฉลองเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่คนงานลูกจ้างเจ้าของร้านของคิงแอไซึ่งได้ทราบข่าวว่ามีความเป็นมามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกือบ30ปี แล้วก็ลูกจ้างคนงานบางคนก็มีส่วนมีหุ้นส่วนในร้านนี้เป็นเจ้าของร่วมกันโดยอาศัยเจ้านายที่มีอธัธยาศัยใจกว้างสามารถเผือแผ่ผลประโยชน์ให้ทั่วถึงได้ทุกคนเราทั้งหลายก็เลยมีส่วนร่วมในร้านนี้ด้วยเหมือนเราทุกคนเป็นมีส่วนร่วมสร้างด้วยความรักความสามัคคีเป็นปัจจัยสําคัญถ้าหากว่าเราไม่มีความรักความสามคัคคีร้านเราคงคงไม่มีอายุยืนยาวมาถึงวันนี้ นั้นความรักสามัคคีนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีจุดนี้ <c oughs> เราก็จะไม่สามารถที่จะมีล้านยืนยาวมาได้ท่านบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันไม่สามัคคีกันนะเราก็อายุยืนไม่ได้วันหนึ่งถ้าทั้ง4ี่ดินน้ําลมไฟมันตัวใดตัวหนึ่งกําเริบเสื่อมสาร ตัวใดตัวหนึ่งมันมีกําลังมากกว่ามันไปขวางเพื่อ น, นไปกีดกันเพื่อนอีกตัวหนึ่งก็จะลาบากธาตุ ด, ดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟเราอยู่ด้วยธาตุสี่ธาตุสีนี่ต้องสามัคคีกันหมายความว่าธาตุาทั้งสีเนี่ยต้องพอดีๆกันนะแล้วเขาก็จะอยู่ได้ถ้าวันไหนธาตุ ด, ดินกําเริบหมายความว่าในส่วนที่มันแข็งนี่เป็นธาตุ ด, ดินมันกําเริบก็จะเกิดปวดหวัวปวดท้องขึ้นมาเราก็ไม่สบาย หมายความว่าธาตุดินไม่สามัคคีกับเพื่อนแล้วก็ทําให้ร่างกายทั้งร่างกายมีปัญหาหรือบางวันธาตุน้ําำกำเริบทําให้เลือดเสียเลือดไม่ดีทําทให้ความปั่นป่ว น, นเกิดขึ้นในร่างกายตัวหนาวตัวร้อนขึ้นมาวันนั้นหมายความว่าธาตุน้ําไม่สามัคคีกับเพื่อนทําให้ชีวิตทั้งชีวิตเดือดร้อนวันไหนธาตุไฟขวางเพื่อนธาตุไฟมีอํานาจมากกว่าเพื่อนวางอํานาจมากกว่าเพื่อนวันนั้นก็เกิดความเป็นหนาวเป็นไข้ขึ้นมา ความร้อนมากขึ้นมาเราก็เป็นไข้วันไหนธาตุดินมันกำเริบขึ้นมาเราอาจจะเป็นลมเป็นแรงหรือสรุปสไลด์ไปลุกไม่ขึ้นนั่นหมายความว่าธาตุลมแตกสา ม, มัคคีเพื่อนเพราะน่าจะเห็นว่าแม้แต่ธาตุสีของเราธาตุใดธาตุหนึ่งไม่สา ม, มัคคีชีวิตทั้งชีวิตเราเป็นทั้งหมดเลยนะแต่าหากว่าธาตุไฟ วดเก่งกว่เพื่อนว่าเขาเขา้อนกว่าเพื่อนเขาแรงกว่าเพื่อนแต่ในที่สุดอิทธาททั้ง3ก็เดือดร้อนธาตุไฟก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นความสามัคคีจึงเป็นแบบอย่างทั้งส่วนที่เป็นสมมุติส่วนที่เป็นทางโลกและส่วนที่เป็นทางธรรมแม้แต่พระสงฆ์เองท่านบอกสมมุติทั้งแ4่องค์ขึ้นไปเนี่ยเป็นสามัคคีก็จาลองไปธาตุสี่ ถ้าสี่ั้งแต่ดินน้ํำลงไฟขึ้นไปสา ม, มัคคีกันร่างกายเราก็สงบสุขถ้าหากบุคคลอยู่กันร่วมกันตั้งแต่สี่คนขึ้นไปเรียกว่าสังฆะอยู่ร่วมกันสา ม, มัคคีกันในสังคมนั้นก็สงบสุขแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าทางโลกทางธรรมชาวบ้านถ้าหากว่าจะสา ม, มัคคีนั้นอาศัยคุณธรรม4ี่อย่างเหมือนกันมาสา ม, มัคคีกันที่เราสวดว่าสุ ป, ปฏิปัโนอูชุ ป, ปฏิปัโน ญาญาปฏิปปโนสามีจิตปฏิปปโนอาศัยคุณธรรมสอย่างนี้เราจะสามัคคีกันได้ตลอดรอดฝังคำว่าสุปฏิปปโนก็หมายความว่าเราประพฤติปฏิบัติชอบต่อกันสามีภรรยาประพฤติดีต่อกันลูกประพฤติดีต่อพ่อแม่นายจ้างประพฤติดีต่อลูกจ้างลูกจ้างประพฤติดีต่อนายจ้างเพื่อนประพฤติดีต่อเพื่อนเขาเรียกว่าอันไหนประพฤติดีก็พูดดีทําดีคิดดีต่อกันนี่เขาเรียกว่าสุปฏิปปโน แต่วัานไหนพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีต่อกันนี่สังฆาตตัวนี้ไม่สามัคคีเพื่อนแล้วนะอันที่สององค์ที่สองเราว่าอูชุปฏิปนปุเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำการธุรกิจการค้าห้างร้านบริษัทความซื่อสัตย์เป็นเรื่องสำคัญนะที่คนจีนมักจะพูดว่าซื่อกินไม่หมดและคตรเป็นยังไงโคตก็กินไม่นานนะ ภาษีนี้ขึ้นชื่อหรือชาทีเดียวว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่ทําไมคนที่ชอบคดทั้งที่นี้มันจะกินไม่นานก็เพราะว่าเขาขาดอันที่หนึ่งเพราะเขาพูดไม่ดีทําไม่ดีคิดไม่ดีก็ทําให้จิตใจคดเคี้ยวเรี้ยวลดก็เกิดปัญหาแต่ถ้าพูดดีทดําดีคิดดีเสมอจิตก็จะตรงไปตรงมานะเขาเรียกว่าปรงา่งใสตรงไปตรงมาอันที่สมยมโยายะปฏิปนปฏิบัติเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ไม่ใช่ก่อปัญหาถ้าในกลุ่มของพวกเราคนใดคนหนึ่งก่อปัญหาขึ้นมาเรียกว่าคนนั้นทําให้เกิดความแตกสามัคคีแก้ปัญหากับก่อปัญหาในคนละเรื่องนะหมายความว่าปัญหาอะไรขึ้นช่วยกันแก้เราทํายังไงสมมุติว่าเราเป็นเจ้ า, ามีส่วนหุ้นส่วนในร้านถ้าเราไปใช้จ่ายเกินประมาณใช้จ่ายเกินประมาณแล้วก็ก่อให้เกิดความาไม่พอในครอบครัวสมมติเดือนหนึ่งได้ประมาณสัก5้าพันเหรียญ แต่ว่าเราไปใช้จ่ายเดือนสักห0พัเหรียญเจ็ดนเหรียญหรือ 8,00 พเหรียญอันนี้เราเรียกว่าไม่เป็นยายาปฏิปนโนแล้วลมันจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเมื่อเรารายได้มันร า, ายจ่ายท่วมรายได้ปับ๊บทีนี้เดือนนึงเราได้แค่ห้าพันเราจ่ายเ0 0ดเนี่ยมันก็ต้องติดหนี้ 2,000 เอ๊จะทํายังไงถึงจะใช้นี้ได้เนี่ยมันติดหนี้ 2,000 เดือนนี้ติดไม่พอเดือนหน้าติดอีก ก็เราไปผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนของผ่อนของเครื่องใช้ต่างๆราคาแพงๆดีๆไม่รู้จักประหยัดรายจ่ายก็สูงเมื่อรายจ่ายสูงแล้วรายได้มันไม่พอเราก็เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอาจจะมีลูกมีสามีมีภรรยามีพ่อแม่อยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเงินเดือนเราห้าพันแต่ว่าใช้ใจ่ายเกินไปหก0จ็เนี่ยเราก็เดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนเราจะทำไงให้มันได้เงินมา เราก็อาจจะมีการหยิบหยับจับเวยช่อชนโคลนโคงคอรับชั้นเบียดบังเอาผลประโยชน์ของในล้านหรือของผู้อื่นมาเป็นของตนจะโดยคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่มันเกิดปัญหาแล้วเพราะในโลกนี้ท่านบอกว่ามนุษย์ไม่เห็นเทวดาเห็นเทวดาไม่เห็นพระอินทร์พระพรหมเห็นเพราะฉะนั้นการทําชั่วนั้นท่านบอกว่าทําที่ไหนถ้าหากว่าผีไม่เห็นมนุษย์เห็นมนุษย์ไม่เห็นเทวดาเห็นนี เพราะนั้นเรือวันต่างมีหูประตูมีตาเพราะฉะนั้นเราจะทําชั่วคิดชั่วพูดชั่วอยู่ที่ไหนก็ตามคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นนะเพราะฉะนั้นมันมีนิทานก้อมนะเขาเรียกนิทานก้อมวันเรานะประกอบอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกว่ามีอยู่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งสมัยนั้นนะเขานิยมส่งลูกนหลานไปรเรียนวิชาจากอาจารย์ที่สาปาโมกเมื่อเรียนจบแล้วหลักสูตรนี้ใช้วเวลา7ปี ถ้าหากว่าเรียน7ปีแล้วก็จะมีการสอบครั้งหนึ่งและการสอบนี้ก็เป็นเรียกว่าไฟนอ่นสาคัญก็คือมีข้อสอบเพียงข้อเดียวถ้าหากคนไหนสอบผ่านก็ผ่านหมดถ้าคนไหนสอบไม่ผ่านตั้งต้นเรียนใหม่ทีนี้อาจารย์ที่สาประมุขออกข้อสอบว่าวันสุดท้ายนะทุกคนให้ประคะมวยของมาหนึ่งชิ้นโดยที่เจ้าของเขาไม่รู้ถ้าคนไหนขโมยเจ้าของมันชิ้นโดยเจ้าของไม่รู้ถือว่าสอบผ่าน คนไม่รู้ไม่ใช่เจ้าของคนไม่เห็นคนไม่รู้ถ้าหากว่าไปขโมยของมันนี้มีไม่มีคนเห็นไม่มีคนรู้คนนั้นถือว่าสอบผ่านอันนี้เป็นค่อยสอบของอาจารย์ทุกคนก็กระจายออกไป30คนปรากฏว่าเมื่อมารวมกันแล้วอาจารย์นัดแต่ละคนก็ได้บางคนได้เข็มมาเล่มหนึ่งบางคนได้ฟักมะลูกหนึ่งบางคนได้มะม่วงมาใบหนึ่งบางคนได้ไข่มาใบหนึ่งบางคนตะปูมาตัวหนึ่งทุกคนก็ยังไงก็สอบผ่านไนงะก็ะยิมยิ้มย่มยมยอง อาจารย์ก็ถามว่าอ้าวใครบ้างที่ขโมยของมาโดยที่คนไม่เห็น29คนยกมือพรึบเลยแต่ว่าคนที่สามสิบไม่ยกมือมาขควมว่อย่างไงอ้าวทาไมเธอไม่ได้กับเขาอ่ะคนได้มาแต่เธอทําไมไม่ได้ผมไม่ได้ครับอ้าวเพราะอะไรผมไปที่ไหนมีแต่คนเห็นเหมือนกันอ้าวเขาตรงนี้ไม่มีใครเห็นเลยทําไมเธอคนเห็นผมเป็นคนครับผมไปที่ไหนผมก็เห็นผมหยิบ ผมจะจับอี่ไรผมเห็นตัวเองหยิบทุกทีเพราผมเป็นคนนั้นแสดงว่าอายุคนนั้นเป็นคนหรือเปล่าเป็นอะไรเป็นเปลตอหมดเป็นเปลืเป็นอสุรกายเป็นเรไรฉานมันไม่ใช่คนแต่ผมเป็นคนผมเห็นตัวเองอ่ะปรากฏว่าคนนี้ผ่านคนเดียวนอกนั้นสอบตกหมดอันนี้คือข้อสอบของอาจารย์เขารับเอาไปนิดหนึ่งนะเขารับไปเนี่เพราะฉะนั้นคนนี้แสดงคนนี้มีหิลิโอตาปะ วันนั้นตลอด7ปีนั้นอาจารอาจารย์ต้องการผ่านเรื่องเดียวคือผ่านฮิริโอตปะเท่านั้นคนเราถ้าหากว่ามีคุณธรรมดีขนาดไหนมีศีลธรรมดีขนาดไหนมีปัญญาดีขนาดไหนนะถ้าไม่มีความอายชั่วกลัวบาปอยู่ในใจแล้วเนี่ยคนนั้นจะร่ํารวยหรือจะดีขนาดไหนคนนั้นก็ไปไม่รอดในที่สุดนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ว่าฮิริโอตปาสัมปันา สุขัธรรมะสมาหิโตสั้นตาส ป, ปุริซาโรเกเ ท, ทวาธรรมาติวุจเลเรากล่าวว่าคนที่มีฮิริโอตรปะอายชั่วกลัวบาปอยู่ในใจคนนั้นเป็นคนเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพระภูะมิก็ได้แต่ถ้าหากว่าคนไหนที่ไม่มีฮิริโอตรปะอยู่ในใจหรือมีน้อยก็จะลดตามลําดับหมายความคนที่มีสูงสุดเป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นภูมิตามลงมาคนไหนมีระดับเสมอตัวเป็น อ่าคนแล้วคนไหนมีต่ําระดับคนนั้นเป็นอย่างอื่นหมดนะเป็นอย่างอื่นหมดดังนั้นเราทั้งหลายสามารถจะเอาคุณธรรมตัวนี้มาตรวจสอบตัวเองว่ า, ว, าว่าเรามีความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมมากแค่ไหนแล้วว่าเออเราอายชั่วกลัวบาตต่อหน้าคนหรืออายชั่วกลัวบาตแม้แต่ในใจของเราเองแต่เราไม่กล้าทําชั่วทำบาปเพราะคนเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนได้ระดับหนึ่งนะแต่ยังเป็นเทวดาไม่ได้ แต่คนไหนไม่ไม่กล้าทำชั่วกลัวบาปทั้งภายนอกด้วยทั้งในใจด้วยคนนั้นเริ่มเป็นเทวดาแล้วนะเริ่มเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นฮิริโอตปะตัวนี้จึงเป็นต้นกำเนิดของศีลนะพระของเรานี่จะบวชมีศีล227หรือศีล300ก็ตามถ้าขาดฮิริโอตปะชุดเดียวนะศีลทั้งหมด200กว่าข้อไม่มีความหมาย แต่ถ้าหากว่าท่านมีฮิริโอตปาเพียงสองข้อสี่นั้นขี่ร้อยขี่พันข้อก็รักษาได้หมดอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาท่านนั้นบอกว่าฮิริท่านบอกว่าอายชั่วให้เปลี่ยนเส ม, มือนว่าหญิงสาวที่แต่งตัวสวยนะแต่งตัวสวยแล้วรักความสะอาดเพราะฉะนั้นหญิงสาวคนนี้จะไม่เข้าใกล้สิ่งที่สปกปรกกลัวจะเปือ่อนจะไปแตกต้องไปจับอะไรก็ระมัดระวังกลัวเปื่อน เพราะว่าฉันใดก็ดีคนที่มีฮีริโอในใจอยู่ในใจนั้นไม่กล้าพูดชั่วไม่กล้าพูดชั่วทําชั่วขี้ชั่วเพราะกลัวกลัวว่าใจตัวเองจะเปื้อนกลัวชีวิตของตัวเองจะเปื้อนกลัวประวัติของตัวเองจะเปื้อนอันนี้คนที่มีฮีริกลัวว่าชาติตระกูลจะเปื้อนกลัวว่าร้านนี้ว่าจะเปื้อนด้วยคนที่ไม่ดีเขากลัวเพราะฉะนั้นเขาก็ช่วยกันปลูกปักรักษาชื่อเสียงของร้านไว้ ถ้าหากว่าชื่อเสียงของร้านว่าเป็นของร้านที่ไม่ดีรักของนี้ภาษีรับของโจรอะไรนี้เราก็ช่วยกันป้องกันไม่ให้ใครทําอย่างนั้นเรียกว่าคนนั้นมีฮิริโอตปะคนนั้นเป็นเทวดาทักษาร้านเรานะทีนี้คนที่มีโอตปะอายชั่วและกลัวบาปคําว่ากลัวบาปนี่ท่านเปรียบเสมือนนึงว่าเราผู้ซึ่งกลัวอสศร พ, พิษเวลาเราเดินไปตามทางกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเราจะมีไฟฉายส่อง เราจะมะีไปที่แสงสว่างเพราะกลัวว่าไปเหยียบงูบ้างเหยียบแมลงแมงมดบ้างเห ย, ย, ย, ยียบตะขีบตะขาบเหยียบต่าปูพราะจะทําให้เราได้เจ็บปวดบอกว่าฉันใดก็ดีคนที่กลัวบาปก็ฉันนั้นกลัวว่าอันตรายจะเกิดแก่ตัวเองคือไม่กล้าทําชั่วเพราะกลัวบาสนะดันั้นเราทั้งหลายถ้ามีฮิริโอตปะนี้ชื่อว่าเป็นพระเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมในตัวถ้ามีทั้งข้างนอกข้างในนะ แต่ถ้าหากว่าเรามีแต่หิลิโอตาปาข้างนอกกลัวคนข้างนอกจะเห็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนได้ระดับหนึ่งแต่มีเครื่องเดียวแต่คนไหนที่ไม่กล้าทําชัว่วโรบาบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจคนนั้นเป็นพระเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมได้เพราคนนั้นเทวดาอินพรหมไม่ใช่อยู่บนสวรรค์แต่อยู่บนดินนี่แหละแต่เราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องคบหาถึงจะรู้คบหาคนนี้นานๆคนนี้เป็นยังไงแล้วเราจะรู้ว่าเขามี ความคิดอย่างไรมีการกระทำอย่างไรนี่คือฮีดิโอตปะสามารถที่ทำให้เกิดสุปฏิปโนอุชุปฏิปัโนยายะปฏิปัโนอันสุดท้ายของความคุณสมบัติของคนที่สามัคคีกันก็ว่าสามีจีปฏิปัโนคือปฏิบัติตามสมควรแก่สถานะของตนเราเป็นลูกจ้างวางตัวเหมาะสมเป็นลูกจ้างเราเป็น นายจ้างวางตัวเหมาะสมเป็นนายจ้างเราเป็นพ่อวางตัวเหมาะสมที่จะเป็นพ่อคนเราเป็นแม่วางตัวเหมาะสมที่จะเป็นแม่คนเราเป็นพี่เป็นน้องเรียกว่าวางตัวเหมาะสมวางตัวเหมาะสมตามกาลเทศะดูแล้วไม่เกินไม่ขาดนี่เขเรียกว่าปฏิบัติสมควรแก่ฐานะของตัวเองถ้าเราเป็นลูกจ้างแต่การใช้จ่ายของเราเหมือนนายจ้างนี่เขาเรียกไม่มีสามีจีเ่ยคือใช้ชีวิตไม่เหมาะสมนะเราเป็น นายจ้างแต่ว่าเอาเปรียบลูกน้องเอากําไรเกินแล้วก็ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ดูแลลูกน้องอันนี้ก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายจ้างซึ่งจะทําใหนน้ลูกจ้างก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยแต่ในร้านคิงแอนนายของเราเนี่ยมีอายุมาถึงเท่าไหร่ปีนี้ 29, 29่สปีพี่สูน์ได้ว่าเรามีการวางตัวที่เหมาะสมซึ่งหลายๆร้านที่จะมายุยาวขนาดนี้หายากเพราะส่วนใหญ่โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้โดยที่เราก็ายัง เข้มแข็งยังยืนหยัดตั้งอยู่ได้เนี่ยเราจะต้องมีรากฐานแห่งคุณธรรมมาพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีประพฤติดีปฏิบัติดีประพฤติปฏิบัติตรงไปตรงมาประพฤติปัดกันช่วยกันแก้ปัญหาวางตัวเหมาะสมไม่ว่าไรายได้หลักฐานฐานะาการคลองตัวคลองเดือนคลองใจของกันและกันดังนั้นอัตมาภาพในนามของพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่พูดความจริง ทำก็จริงพูดก็จริงคิดก็จริงแล้วก็สะท้อนความจริงนี้ออกมาสู่สังคมเราเรียกว่าพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐมาจากคําว่าพรพร น, นี่แหละพออัสระออกเขาเรียก ว, ว่าอัลสล่าใส่ เ, สสเข้าไปก็เรียก ว, ว่าพระแต่พอสระใส่เข้าไเอาสล่ออกเขาเรียก ว, ว่าพรคนที่เป็นพระคือคนที่ให้พรได้และคนที่จะเป็นพระให้พรได้ต้องมีพรในตัวเองพรในตัวเองพ ร, you, พระก็ให้ทุกๆครั้งที่เรามีการให้ทานว่า วุฒาปะาัญญโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโอสุขังพลังว่าผู้ใดก็ตามมีปกติไหวกราบอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่เรียกว่าไม่มีทิฏฐิมานะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนในทุกการสถานที่หรือว่าคนนั้นจะได้พร4ประการคือเป็นคนที่มีอายุยืนมีสุขภาพดีแล้วก็มีกําลังสติปัญญาดีและมีความสุข อายุวรรณะสุขพะพละดังนั้นอย่าลืมว่าทําไมท่านจึงเอาตัววุท ธ, ธาปัจจาญญโนก็เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ใน ม, มีอัตตามีตัวตนมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถตัวเองสูงดังนั้นการที่จะอ่อนน้อมถม่อมตนเข้าหากันเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่คนใดคนหนึ่งมีหรือว่าคนนั้นมีพรนะเพราะตามปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราไปตามทุ่งตามนานนะ ถ้าหน้าข้าวมันออกใหม่ในรวงมันจะตั้งใช่ไหมแต่หน้าข้าวมันแก่รวงไปยังไงมันก็จะก้มลงนะฉันใดก็ดีพ้อบอกว่าคนที่มีในคนที่มีปีกสิทธิภาพคือคนที่น้อมตัวลงมาแต่คนที่ไม่มีปีกศิธิภาพคนหลังแข็งแข็งกระด้างะก็คือคนหลังตรงๆเข้าที่ไหนไม่อ่อนน้อมถอม่อมตนก็เรียกคนยังไม่มีในคนยังไม่มีแก่นไม่มีสารไม่มีสาระข้างใน ก็ไปที่ไหนก็อดเก่งอดกล้ามอดดังอดเด่นนี่เขาเรียกว่าชูงวงนะชูงวงขึ้นมันไม่มีแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดอคนคนนั้นเริ่มเอาน้อมถ่อมตนก้มลงต่อผู้ด้อยกว่าหรือผู้เหนือกว่าคนนั้นเริ่มมีในมีสาระเหมือนลวงข้าวที่เริ่มแก่มันก็จะคลอมลงหรือผลไม้ที่เริ่มแก่มันก็จะเยินลงชั้นใดก็ฉะนั้นนะยอดยมทั้งหลายวันนี้เรามาเป็น สักขีพยานถึงความเข้มแข็งของธุรกิจและร้านค้าของเราว่าเราอยู่ได้ด้วยความรักความสามัคคีแต่อย่างไรก็ดีเรายัางเป็นมนุษย์ปุรุชนมันก็ยังมีขึ้นๆลงๆบางครั้งวันนี้คิดดีพูดดีทําดีพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้พรุ่งนี้พูดทำดีคิดดีแต่เมื่อลืม อ, อาจจะไม่ใช่มันก็กลับไปกลับมา เพราะเราเป็นมนุษย์ปูถชนเพราะเรายังมีอารมณ์มีความโลภความโกรธความหลงมีความรักความหึงแหนความอิจฉาพยาบาทอยู่มันก็ขึ้ น, น, น, นล ง, ลงแต่อย่างไรก็ตามหักลบกลบเกินแล้วเนี่ยให้มันมีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียจะให้ดีเราจะหาคนดีทุกอย่างเป็นไปไม่ไดนะ้แต่ว่าเราอย่าเที่ยวหาจะหาคนดีโดยส่วนเดียวมันบอกไม่มีอย่าเที่ยวหาสาหายเอย๋ยนะ เพราะว่าท่านบอกว่าฝึกให้ให้เคยนะฝึกให้เคยมองแต่ดีมองมองโลกในแง่ดีเอาไว้ดังนั้นคนเราจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าหรือตกต่ําอยู่ที่การมองโลกถ้าคนไหนมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอคนนั้นก็จะเป็นคนดีมองโลกในแง่ดีก็ความเจริญก็เกิดขึ้นคนไหนมองโลกในแง่ไม่ค่อยดีเห็นอะไรก็ไม่ดีไปหมดคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีแต่เราดีคนเดียวคนนั่นจะตกต่ํากว่าเพื่อนนะ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะมองโลกอย่งเี้ยดีเอาไว้เพื่อเราจะได้ก้าวหน้าก็ในานามของพระสงฆ์ก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจของเราทั้งหลายที่ได้นําอาหารหวานข่าวปัจจัยวัตถุปัจจัยคนเล็กๆน้อยมารวมกันทั้งแรงกายแรงใจให้เกิดเป็นบุญกุศลวันนี้ก็ขอให้ความตั้งใจอันนี้เป็นพระปัใจจัยให้ล้านของเราได้ประสบความก้าวหน้าจเจริญงอกงาม เพื่อที่มีผลต่อชีวิตและครอบครัวของเราเมื่อร้านของเราเจริญผลประโยชน์และกําไรก็ตกมาถึงเราด้วยด้วยอาศัยการบริหารของท่านเ จ, เจ้านายทั้งสองนะคุณจุชินแะคุณน้อยนะที่มีคุ ณ, ณธรรมสามารถที่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปเชี่ยวชาญไปถึงลูกน้องลูกจ้างคนจ้างหรือญาติพี่น้องที่ช่วยกันดูแลไม่ว่าร้านนี้และสาขาต่างๆก็ตาม ขอให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองให้เราพ้นภัยพิบัติจากเศรษฐกิจต่างๆและก็มีโอกาสได้นำเอาผลประโยชน์และผลกำไรอันนี้ทำบุญกุศลสนับสนุนพระาศาสนาให้ประสบกับเจริญความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกคนทุกท่านทืน ภูสุนติตา Boa wow. เสียงดีแต่เก่าเนาะโอ้ยน่าจะถูกทางด้วยไม่ดวันอางมอระมู่ว่โอ้ยจะอีกเป็นนักเก่มอระมุสใช่่ก็แล้นบะคเจ้าเสียงดีจะเอิ้อบอกโอเค